เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบวรสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่30มิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรมักัสวนะิะวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบาิสักผู้มีศรัทธาอันแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็งบุญมาสร้างความสุขให้แก่ใจด้วยการทำบุญด้วยวิธีการต่ตางๆเพราะความสุขหรือบุญนี้เกิดจากการกระทํา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำบุญไม่ได้เกิดจากความเชื่อเฉยๆบุญไม่ได้เกิดจากความปรารถนาเฉยๆแต่บุญเกิดจากการทําบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำบุญนี้ก็มีหลายแบบหลายรูปด้วยกันเหมือนกับอาหาร ที่มีหลายชนิดด้วยกันมีประโยชน์ต่างกันอาหารบางชนิดก็ทำประโยชน์ในทางหนึ่งอาหารอีกชนิดหนึ่งก็ทำประโยชน์อีกทางหนึ่งเวลารับประทานจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารหลายชนิดด้วยกันเพื่อจะได้ทำประโยชน์ได้ครอบทุกส่วนเช่นเรารับประทานข้า รับประทานกับรับประทานของเค้าของหวานรับประทานผลไม้และก็ดึ่เครื่องดืง่มชนิดต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของร่างกายที่จะทำให้ร่างกายมีความอิ่ม้ํำสาราญมีความสุข <c oughs> ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ใจของพวกเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันอาหารของใจก็คือบุญนี่เองบุญนี่ก็ต้องมีหลายแบบเพราะทำหน้าที่ต่างกันไปนั่นเองบุญข้อแรกที่พระพุทธเจ้าส อ, สอนให้ทำเรียกว่าทานทานก็คือการให้ให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ ถ้าไม่มีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีปัญญาที่จะให้ได้ก็ไม่ต้องวิตกเพราะมีทานอย่างอื่นมีอาหารมีบุญอย่างอื่นที่เราจะทําได้อย่าไปเดือดร้อนกับการต้องไปหาเงินหาทองไปหาข้าวหาของมาเพื่อเอามาทําบุญอันนี้ไม่ใช่เป็นเ จ, เจตนารมณ์ของการให้ทาน การให้ทานนี้เพื่อปลดปลื้งภาระคือเข้าของเงินทองต่างๆที่มีมากเกินไปเก็บไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์กับใครและเป็นภาระเป็นความกดดันให้แก่จิตใจและจะเป็นเครื่องหลงเหนียวจิตใจไม่ให้ได้เจริญ ขึ้นไปสูงขึ้น mm hmm. แต่พอให้ทานแล้ว mm hmm. ก็จะทำให้ใจเบาใจมีความสุข mm hmm. เหมือนกับเรือถ้าต้องบรรทุกของเพียบลำเรือเกือบจะจมน้ำถ้าโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรทุกของเหล่านั้น mm hmm. ก็สู้โยนทิ้งน้ำไปจะดีกว่าเพื mm ่อเรือจะได้เบา mm hmm. และจะได้เดินทาง ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทานก็เป็นการปลดเปลื้องภาระของต่างๆที่ใจต้องแบกรับไว้ต้องคอยดูแลคอยรักษาคอยห่วงคอยห่วงแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียเขาไปนี่คือ เจตนาลมของการให้ทานให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใจไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็จะทำให้ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะมันหนักเพราะว่าถูกของต่างๆนึงเอาไว้ทำให้ใจไม่ลอยขึ้นสวรรค์ นี่คือเรื่องของบุญข้อแรกคือทานขอให้เราให้ในสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ให้โดยเจตนาเรือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้รับเราต้องการที่จะเอาของที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ ออกจากใจของเราออกจากบ้านของเราออกจากตัวของเราและก็อย่างเดียวที่อยากได้ก็คือความสุขของผู้รับประโยชน์สุขที่ผู้จะได้รับเพราะประโยชน์สุขของผู้ได้รับนั้น mm. ก็จะส่งกลับมาให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ให้นั่นเองสิ่งที่เราให้ได้นั้นก็มีอยู่ 3, อย่างด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่แรกก็คือวัตถุเข้าของต่างๆเช่นของที่ญาติโยบนำมาถวายวันในวันนี้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นเงินทองเรียกว่าวัตถุทางสิ่งที่สองที่เราจะให้ได้ก็คือวิชาความรู้แก่ผู้อื่นเรามีวิชาความรู้ อะไรเราสอนให้ผู้อื่นได้เพื่อเขาจะได้มีวิชาความรู้เอาไปทำประโยชน์ได้เราก็สอนเขาไปโดยไม่เรียกค่าตอบแทนอย่างนี้เรียกว่าวิทยาทานส่วนที่สามที่เราให้ได้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะเรามาวัดเรามาได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อย แล้วเราเอาธรรมะที่พระพุทธจเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไปปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราก็ทำให้เราคลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้มากทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราไปให้ไปได้มากเราก็เห็นคุณค่าของธรรมะเวลามีผู้ที่เขา มีปัญหามีความทุกข์ถ้าเขามาพึ่งเรามาขอคำปรึกษากับเราเราก็ให้ธรรมะเขาไปเพื่อให้เขานำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้ปัญหาที่มีอยู่ในใจนั้นหมดไปหรือเบาบางลงไปเพื่อที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปได้ นี่คือธรรมะการให้ทั้งสามสว่วนนี้การให้ธรรมะถือว่าเป็นการให้ที่เลิศที่สุดธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะการให้วิทยาทานหรือการให้วัตถุเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้กับผู้ที่รับได้ต้องเป็นธรรมะเท่านั้น ที่จะช่วยดับความทุกข์ใจได้ดังนั้นธรรมะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็จะได้ปลดเปื้อนความทุกข์ผู้ให้ก็จะได้รับความสุขนี่คือสิ่งที่เราให้ได้ตามฐานะของเราถ้าเรามี เข้าของเงินทองวัตถุต่างๆก็ให้ไปถ้าเราไม่มีแต่ลองมีวิชาเราก็ให้วิชาความรู้ไปถ้าเราไม่มีวิชาความรู้ไม่มีวัตถุเข้าของเงินทองเช่นพระภิกษุท่านก็มีธรรมะท่านก็ให้ธรรมะแก่ญาบยม อ, อย่างที่กำลังได้ให้กันอยู่ในขณะนี้ การให้ธรรมะด้วยการแสดงพระธรรมเทศนานี้เองนี่คือเรื่องของบุญข้อที่หนึ่งที่เราสามารถให้ได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นที่จะต้องมาวัดถ้ามีผู้เดือดร้อนผู้ที่มีผู้ที่เขาต้องการสิ่งที่เราให้เขาเราให้เขาไปเราก็จะได้บุญเหมือนกัน ไม่ว่าจะให้กับพระภิกษุหรือให้กับคาววะยากโยมก็เป็นความสุขใจเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันที่มีการแยกแยะว่าถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระที่มีคุณธรรมสูงจะได้บุญมากกว่านี้หมายถึงบุญอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่บุญที่เกิดจากการให้ แต่บุญที่เกิดจากการได้ฟังธรรมอันนี้เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งต่างกับบุญที่เราให้เท้าของไปบุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็คือถ้าเราได้ทำบุญกับพระที่มีคุณธรรมสูงเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมขั้นสูงแลวเราก็จะมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงนั่นเองดังนั้นจงมี ธรรมเนียมเมื่อบีการปฏิบัติเวลาทำบุญถ้าอยากจะบรรลุธรรมด้วยนอกจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วอยากจะได้บรรลุธรรมสูงสูงก็ต้องหาพระทำบุญกับพระที่มีคุณธรรมสูงสูงนั่นเองก็ะจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้สนทนาธรรมแล้วก็จะได้มีโอกาสบรรลุธรรมได้ ถ้าทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะแต่มีความเดือดร้อนเราก็ได้ความสุขที่เกิดจากการได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้เข้าของเงินทองที่เขาขาดแคลนแต่เราจะไม่ได้รับธรรมะจากเขาเพราะเขาไม่มีธรรมะนั่นเองนี่ขอให้เราทําความเข้าใจ ว่าการทำบุญบางครั้งบางเวลาเราต้องเลือกคนบางครั้งบางเวลาเราก็ไม่เลือกคนถ้าเราเห็นคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขาทันทีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นคาววดยากยางใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนเราอยู่ในเหตุการณ์พอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป อันนี้เรื่องเป็นการทำบุญเพื่อมนุษยธรรมนะแต่ถ้าเราไม่อยู่ในเหตุการ์แล้วเราอยากจะทำบุญเพื่อได้ธรรมะสูงขึ้นเราก็ต้องไปหาพระที่มีคุณธรรมที่เราจะสามารถได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านได้สนทนาธรรมะกับท่านได้ถามปัญหาธรรมะจากท่านกับท่าน ทำอย่างนี้เราก็จะได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญาอันนี้เป็นเป็นบุญอีกข้อหนึ่งต่างกับบุญที่เกิดจากการให้ทานคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมทีนี้ก็มาบุญข้อที่สองข้อที่สาแล้วข้อที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรม ข้อที่สก็คือดินที่เกิดจากการละบาปอย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาสมาทานศีลห้าเพื่อละการกระทำบาป5้า5ข้อด้วยกันคือละบาปละการกระทำคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละการกระทำลการลักทรัพย์ละจากการประพืดผิดปรเวณีละจากการพูดปด และละจากการเสพสุรายามะเพราะการกระทำทั้งห้าข้อนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความรุ่มร้อนจิตใจถ้าละการกระทาเหล่านี้ได้ mm. ก็จะทำให้จิตใจเย็นสบาย mm. มีความสุขนี่ก็เป็นบุญข้อที่สบุญข้อที่สี่ก็คือการภาวนา การภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สงบและให้เกิดปัญญามีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขใจจะสงบได้ก็ต้องมีสตคิคอยดึงใจเอาไว้ไม่ให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้ดึงใจให้อยู่กับกาย ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทําของกายเช่นกำลังเดินก็ให้มีสติรู้อยู่ของการเดินยืนนั่งนอนรับประทานอาหารทำงานทำการอาบน้าอาบท่าแต่เนื้อแต่งตัวหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาให้รู้อยู่ทุกขณะ อย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เรียกว่ามีสติหรือถ้าไม่สามารถหยุดให้ใจไปคิดเรื่องอื่นได้ก็ดึงใจให้มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้คิดเรื่องอื่นถ้าไม่ชอบพุทโธชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก็ได้ถ้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบท่องในกายนครคือร่างกายอาการสาสิบสอง ก็ให้ท่องไปส2อาการเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาหัวใจตับทั้งผืนตายปอดไปให้ครบ32สองทั้งไปทั้งกลับอย่างนี้ก็จะมีสติใจจะไม่ลอยไปรอยมาหรือถ้าชอบการเจริญมรณ า, านุสติก็ให้พิจารณา ให้ท่องว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเื่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายตไม่ได้ทำอย่างนี้ไปทั้งวันก็ได้แล้วจะมีสติดึงใจไว้พอมีเวลาว่างเราก็หาที่มุมสงบแล้วก็นั่งหลับตาขัดสมาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ถ้ามีสติก็จะอยู่กับลมหลายใจเข้าออกได้ถ้าใจยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่สามารถอยู่กับลมได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนหรือปรกรณกรรมพุโทโธไปก่อนหรือจเจริญมานานุสติไปก่อนจนกว่าจะรู้สึกสงบสบายแล้วค่อยกลับมาดูลมต่อไปไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ ความสงบนี้ต้องนิ่งต้องว่างต้องไม่มีอะไรถ้ามีอะไรมาให้รู้มาให้เห็นอย่าไปตามรู้อย่าไปตามเห็นเพราะนั่นไม่ไป้เป็นสมาธิสมาธินี้ต้องนิ่งไม่คิดอะไรต้องว่างมีแต่อุเบกขาใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไร ถ้ามีอะไรให้มารู้มาเห็นแล้วตามรู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสเพราะมีความอยากรู้อยากเห็นการภาวนาเพื่อให้สมบนี้เพื่อจะระ ง, งับกิเลสตัณหาคือความอยากต่างๆนั่นเองถ้านั่งไปแล้วไปตามรู้อย่างนี้ก็ไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้หยุดตัณหาความอยากออกมาแล้วใจก็จะ ไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้แต่ถ้าใจสงบนิ่งว่างไม่มีความอยากอะไรมีแต่ความว่างไม่มีความคิดปรุงแต่งใจเป็นอุเบกขาเวลาออกมาใจจะเย็นจะเป็นอุเบกขาจะไม่ค่อยมีความโลกโมโทสันก็จะเป็น เวลาที่เหมาะต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปคือให้พิจารณาสภาวะธรรมต่างๆว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะ เป็นปัญญาเป็นวิปัสนาก็จะบรรลุทำได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนามีอยู่สองขั้นคือสมถภาวนาทาใจให้สงบนิ่งพอออกจากความสงบก็มาเจริญสมถวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญข้อต่อไปก็คือบุญที่เกิดจากการกวดนาอุทิศส่วนบุญ ือเวลาเราทำบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้แต่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขาอยู่ในฐานะที่เขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับไปถ้าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องรอรับบุญส่วนนี้ถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาบุญเพราะเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขานั่นเอง บุญที่เราส่งไปนี้ก็เหมือนของที่เราส่งไปทางไปชนีเราส่งไปได้เป็นเพียงกล่องเล็กๆ เ, เท่านั้นเองถ้าเขามีบุญมีสมบัติเข้าของเงินทองเช่นเขาเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระ อ, อริยเจ้าเขาก็ไม่ต้องใช้บุญส่วนที่เราส่งไปให้เขาผู้ที่จะรอรับบุญส่วนนี้ก็คือผู้ที่เป็นขอทานทางจิตตวิญญาณ คือผู้ที่ไม่ได้ทําบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่มัวแต่ทําบาปพอตายไปก็เลยกลายเป็นขอทานทางจิตวิญญาณพวกนี้แหละจะเป็นพวกที่รอรับส่วนบุญของเราอยู่เราก็สามารถถุกทิศไปให้เขาได้แล้วก็เผื่อให้แก่ผู้ที่เราไม่รู้จักด้วยก็ได้เผื่อผู้ที่เรารู้จักตั้งใจจะให้เขาเขาไม่จําเป็นต้องรับบุญจากเรา เราก็ให้แก่ผู้อื่นไปคือเราก็อุทิศให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เราอาจจะมีอะไรด้วยกันมาในอดีตในทางดีหรือทางชั่วก็ตานะก็ขอให้เขาได้รับบุญส่วนนี้ไปถ้าเราไม่อุทิศไว้ก่อนเขาก็ไม่สามารถรับไปไดนะ้นี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นทําบุญให้ทางแล้วได้ความสุขแล้วพออุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้อื่นเองก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นบุญสองเท่าในกันบุญข้อที่ต่อมาก็คือการอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นเขาทําบุญเราควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีอย่าไปทับท้วงอย่าไปประท้วง อย่าไปห้ามเขาอันนี้ไม่ถูกไม่ได้บุญแต่เวลาเขาทาแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญด้วยถึงแม้เราจะไม่ร่วมทําบุญด้วยก็ตามเพียงแต่สแสดงความชื่นชมยินดีเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไปคัดค้านต่อต้านเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแทนที่จะเป็นบุญเราก็กลับจะเป็นบาปไป ดังนั้นเวลาใครที่เขาทำบุญโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเราสามีภรรยาบุตริดาบิดามารดาญาสนิทมิสหายอย่าไปต่อต้านอย่าไปคัดค้านเขาถ้าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องก็ปล่อยให้เขาทำไปนอกจากว่าถูกหลอกลวงอย่างนี้ก็อาจจะควรบอกเขาได้ว่าไม่ได้ทำบุญ กำลังถูกพวกมิจฉาชีพมาหลอกลวงมไม่ควรทำบุญแบบนี้เพราะเป็นการส่งเส ร, ริมพวกมิจฉาชีพให้ <c oughs> มีมีจิต ใ, ใจเห่อหันที่จะทำต่อไปควรที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับไปลงโทษเช่นพวกที่แอบอ้างแล้วมามาเรียรายเงินทองต่างๆ ให้แก่วัดนั้นวัดนี้แต่ไม่ได้เอาไปให้กับวัดเอาเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราอย่าไปทำทำแล้วมันถึงแม้เราจะได้บุญแต่มันก็เป็นการเสริมสร้างหรือสนับสนุนคนชั่วให้ได้มาเบียดเบียนกับคนที่ไม่รู้อีหนูนี่ แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นการทาบุญทาบุญที่ถูกต้องเงินนี้ไปเป็นประโยชน์กับวัดกับสาธารณะประโยชน์เราก็อนุโมทนาไปเลยถ้าเรามีมีมีปัญญาที่จะร่วมทําด้วยก็ร่วมทําไปเลยเราก็จะได้บุญสองต่อได้ทาด้วยและได้ออนุโมทนาด้วยนี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ บุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นคารวาวาเรารับใช้เขาช่วยเหลือเขาได้ทำแล้วเราจะได้ความสุขใจอย่าไปถือตัวว่าเราสูงกว่าเขาเขาต่ำกว่าเราเราช่วยเหลือเขาไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูก เราควรจะมองว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันวันนี้เขาอาจจะต่ำกับเราแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะสูงกับเราก็ได้เพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาวันนี้เรากำลังรับผลบุญอยู่เราจะอยู่สูงกว่าเขาพรุ่งนี้เราอาจจะรับผลบาปทำให้เราตกต่งก็ได้เวลาเราตกต่งถ้าเราเคยช่วยเหลือคนอื่น ถ้าเขารู้เขาก็จะยินดีที่จะมาช่วยเหลือเราดังนั้นขอให้เราพยายามช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าเราสามารถทำได้ไม่จำเป็นจะต้องมาวัดมามาช่วยกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียอย่างเดียวช่วยคนใกล้ตัวเราก็ได้ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยญาติสนิทมิตรสหายช่วยพี่ช่วยน้องช่วยคนที่เราไม่รู้จัก เช่นคนแก่คนชราคนพิการเป็นต้นการกระทำอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกข้อหนึ่งก็คือการทำตัวเราให้เป็นผู้ อ, อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำอย่าทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตเพราะจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น จะไม่มีผู้อื่นคบค้าสมาคมหรือให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะอยู่กับใครก็จะได้รับการชื่นชมยินดีได้รับการสนับสนุนช่วยเหลื อ, อก็จะทำให้เรามีความสุขใจที่เรามีเพื่อนมีที่พึ่งถ้าทาทำตัวเป็นใหญ่เป็นโต คนอื่นเขาก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลืออะไรเขาเพราะเขาใหญ่เขาโตเขาช่วยเหลือตัวเขาเองได้เขาก็จะอยู่แบบไม่มีเพื่อนไม่มีที่พึ่งเวลาเดือดร้อนก็จะลำบากบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องก็คือการทำบุญ นี้มีผลดีคือทำให้เรามีความสุขใจตายไปก็ไปสวรรค์ mm hmm. การทำบาบนี้จะทำให้เรามีความทุกข์ใจตายไปก็ต้องไปนรกนี่คือความเห็นที่ถูกต้องคือเชื่อคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกก็มีจริงผลของบุญคือสวรรค์ก็มีจริง ตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลกรรมใหม่ก็มีจริงการปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงคือมรรคผลนิพพานก็มีจริงนี่เหล่านี้คือความเห็นที่ถูกต้องน่าเป็นความจริงเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง เราจึงต้องมาใสยการพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งไปก่อนแล้วปฏิบัติตามแล้วไม่นานเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวุทท่านได้พิสูจน์กันเพราะทำเหล่านี้เป็นสันติโกนั่นเองผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ย่อมเห็นได้ด้วยตนเอง นี่จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเห็นกับตาลปัดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเราก็จะไม่สนใจที่จะทำบุญเราก็จะทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยากจะได้อะไรก็จะหามาถ้าหามาโดยวิธีที่ชอบไม่ได้ก็จะหามาโดยวิธีที่ไม่ชอบ ทำบาป ท, ทำกรรมทำผิดกฎหมายเป็นต้นเพราะไม่เไม่เชื่อว่าตายไปแล้วยังจะต้องไปใช้กรรมต่อ น, นั้นเองคิดว่าตายแล้วก็สูญ <c oughs> นี่คืออ น, นิสง์ของการที่มีความเห็นที่ถูกต้องบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างเวลาฟังธรรมแล้วก็จะได้อ น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกัน คือได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป 3. จะขจัดความสงสัยได้ 4. จะทําให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทําให้จิตใจผ่องใสมีความสุขสงบเหล่านี้คือบุญที่เราจะทํากัน เพราะเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเราต้องทำให้ได้หลายหลายชนิดเพราะบุญแต่ละชนิดนี้ทำหน้าที่ต่างกันไปนั่นเองเหมือนกับอาหารที่เราต้องรับประทานหลายชนิดด้วยกันเพื่อจะได้ทาประโยชน์ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แก่ร่างกายและจิตใจของเราถ้าเราทำไปอย่างนี้นับรองได้ว่าสักวันหนึ่ง ใจของเราก็จะพบแต่ความสุขความอิ่มไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหลังที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้พบกันแล้วก็คือพระนิพพานนี่เองจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาสร้างความสุขให้แก่ใจด้วยการกระทำต่างๆนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและหมื่กุศลที่ท่านได้มาบังเพญ่กันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แก้พราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ